นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดราชบุรุษค่าไพรฟ้าฝ่าละองทุลีพระบาทแห่งบรมกษัตราที่ราชผู้หนึ่งนั้นมั่นพักดีอุตสาหะกระทําราชการสมเด็จบรมกษัตราที่ราช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 ภูณะปฏิสันที่กหานะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้